วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีศูนย์รงังสิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม 02-592-1933 ้ m u TT Farm Shop ยินดีดต้อนรับค่ะ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 85.5 เม a ะเ r ิรเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตช่วงเวลาระด่มความคิดเติมภัชนะคณิตความคิดสร้างสารรค์พรอมนำเสนอการสื่อาสารศา์การใช้ชีวิตสาหรับเด็กกับรายการคิดคิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิด yes, yes. คิดนะครับอยู่กับผมนะครับ ประนอมถนอมสาวครับครูไอซ์ครับครูนตนับประพาวเขียนค่ะครับพบกันอีกเช่นเคยนะคักเวลาเดิมนะคะกับการคิสคิสนะครับโอเควันนี้เรามีเด็กๆวัยส้ซอีกแล้วนะคะใช่รันัอยู่สร้างเราเราจะมาถามเขาเรื่องอะไรครวันนี้ครไออวันนี้นะครับโ้ไอซ์นะครับก็มีประเด็นหลักๆนี่นะครับอยู่ประมาณหประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ อาชีพนนเองนะครับวันนี้เราจะเน้นไปที่อาชีพนะครับเพาะว่าไอ้เนี่ยได้ไปอ่านผลการสํารวจนะครับสํารวจโดยใช้คําถามเหล่านี้นะครับถามเด็กๆในประเทศไทยมาว่าเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยนะครับเราไปดูว่าผลสํารวจในหัวข้ออาชีพในฝันของเด็กไทยเนี่ยนะครับซึ่งมีบริษัทหนึ่งนะครับจัดทําผลสํารวจมาครับคุณนัดครับแล้วก็ได้ถามถึงอาชีพในราคตการทํางานหรือว่ากิจกรรม กิจกรรมย้ำว่านะ ค, ะนะครับของเด็กๆที่เด็กๆอยากทำใช่ไหมคะแล้วก็มีการสํารวจแง่ขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นว่าเด็กๆเนี่ยผู้เป็นอนาคตของชาตินนเนี่ย น, น, นะครับมุ่งมัม่นคิดถึงในอาชีพอนาคตที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าพัฒนาประเทศของเราอย่างไรนะครับเป็นคําถา ม, มที่ดีเลยนะคะใช่แน่นอนเลยค่ะโดยวัยเด็กๆเขาจะบอกว่าหนูอยากเป็นครูหนูอยากเป็นอาหารเดี๋ยวเราจะมารู้ความคิดนะคะของวัยใสของเราวันนี้เรามีเด็กๆ จากระดับชั้นปอสองนะคะนนเป็นปอสองปน้องๆใช่ค่ ะ, คะกําลังเชื่อเก้เวเจรจาอยากเป็นน่นเป็นนี่เป็นนั่นโอเคค่ะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะหนูชื่อเด็กหญิงฝาาดาภูธิพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อหนูดีค่ะโอเคชื่อหนูดีนะคะคนที่สองค่ะ ชื่อเด็กหญิงนะคระพุ่นอ่อนค่ะชื่อเล่นชื่อไออุ่นค่ะอป .2 อ๋ออยู่ป .2 เหมือนกันอ่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายที่2ปต้น3ครับชื่อเล่นชื่อน้องนายครับน้องนายและคนที่4ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพาชชคนโชติกาตะเทียนครับชื่อเล่นชื่อโรมาครับอยู่ป .2 ครับอ๋อป .2 หมดเลยนะคะดีไออุ่นน้องนายน้องนายแล้วก็ลโอมานะคะ วันนี้เราจะมาดูความฝันของเด็กๆนะคะว่าเขาฝันอยากจะเป็นอะไรจะตรงตามที่เขาทําโพกันมาหรือเปล่าเขากลวไอซ์ใช่ครัเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีไหมคะครับคำถามแรกเด็กๆฟังนะคะอคว า, ามะคะี่ของเด็กนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคําถามแรกเมื่อเด็กๆโตขึ้นเด็กๆอยากประกอบอาชีพอะไรเพราะอะไรคะใครจะตอบเป็นคนแรกคะไออุ่นค่ะ หนูอยากเป็นนักร้องค่ะอยากเป็นนักร้องเพราอะไรคะถึงอยากเป็นนักร้องเพราะว่าจะได้ช่วยพ่อแม่ด้วยค่ะจะได้ช่วยพ่อแม่ออกเป็นนักร้องหารายได้ใช่ไหมคะโอ้ยเยี่ยมมากเลยค่ะพี่นายค่ะอยากเป็นทหารครับอยากเป็นทหารถึงอยากเป็นทหารมีใครเป็นทหารไหมคะในครอบครัวไม่มีไม่มีเพ่ออะไรอ๋อมีพี่เป็นใช่ไหมครับพ่ออะไรคะน้องนายถึงอยากเป็นทหาร จะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้อ๋อช่วยเหลือคนอื่นเชื่อเหลือประเทศด้วยใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมเลยครับเรามาล้วครับเราอยากเป็นอะไรครับเราอยากเป็นอะไรอยากเป็นดาราครับอยากเป็นดาราอุยช่ค่ะอยากเป็นเพราะอะไรเพระอยากมีเงินเยอะๆจะได้ช่วยเหลือครอบครัวฮ่ะโอช่วยเหลือครอบครัวแล้วหนูดีละคะหนูดีอยากเป็นอยากเป็นกุ๊กอยากเป็นกุ๊กใช่ไหมครับอยากเป็นกุ๊กใช่ไหมไก่กุ๊กกุ๊ ไม่ใช่อยากเป็นอะไรนะครับอยากเป็นครูชีพหรือว่าเป็นเชนเอ็นชะครับผมชอบทำอาหารเหรอครับค่ะอืมอ่ะคราวนี้เนี่ยนอกจากว่าเด็กๆอยากประกอบอาชีพอะไรผนขึ้นไปอยากเป็นอะไรแล้วนะครับพร้อมเหย่อใจแล้วต่อไปเนี่ยนะครับยังมีอีกนิดนึงที่ครูอยากถามก็คือเด็กๆต้องการรายได้ประมาณเท่าไหร่กับอาชีพนั้นๆอ่าสมมติว่าเราประกอบอาชีพแล้วสมมติว่าครูเป็นครูครูเนี่ยนะครับก็มี ก็มีรายได้ประมาณหนึ่งอ่าสมมตินะหนึ่งมบาทอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆนอยากได้รายได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเริ่มที่ใครก่อนอ่เริ่มที่น้องนายก่อนดีกว่าครับคุณน้องน้องนายเป็นอาหารใช่ไหมครับน้องนายอยากได้รายได้เท่าไหร่ครับตอนนี้สามแสนครับโอ้โหสามแสนเงินสามแสนที่จะไปทําอะไรคะเอาไปบริจาคให้เอาไปบริจาคให้คนจนให้คนจนโหเยี่ยมค่ะ เรามาล่ะค <มา S 2> ่ะอยากได้ไเงินเดือนเท่าไหร่คะสองล้านบาทสองล้านบาทสองลบาทนี้เอาไปให้ครอบครัวหรือให้ครอบครัวใช้หรือว่าซื้อบ้านซื้อรถใช่คะโอ้ให้คนในครอบครัวให้อุ่นล่ะคะหนูอยากได้สาสามล้านค่ะ สาล้านาต่อเดือนเลยเหรอคะเโอ้โหแสดงว่าป๊อปปูล่ามากเลยค่ะแล้วจะเอาเงินสาล้านนี้ไปทําอะไรบ้างคะเอาไปเลี้ยงครอบครัวค่ะเอาไปเลี้ยงครอบครัอคว อ, อยู่กินดีค่ะถ้าอยู่ดีกิน <ไป S 1> ดีแล้วหนูดีแหะคะถ้าเป็นเชฟอยากได้เท่าไหร่คะอยากได้อหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสบาทเงินหนึ่งแสนบาทนี้หนูดีจะเอาไปทําอะไรบ้างคะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงครอบครัวโอ้โห ความคิดของเด็กๆนะคะส่วนใหญจะนึกถึงคนใกล้ตัวนะคะและ้วครอบครัวแล้วก็มีให้พูดอื่นบ้างนะค ะ, ะครับต่อไปคําประเด็นต่อไปนะครับคุณถามเด็กๆว่าเด็กๆคิดว่าอาชีพใดเนี่ยดีหรือว่าเท่ที่สุดอาจจะไม่ใช่อาชีพที่เด็กอยากเป็นก็นได้เนาะใช่แต่เด็กๆอาจจะเห็นว่าอุ๊ยอาชีพนู้มม น, น, นมันเท่อาชีพนี้มันเท่เนี่ยไม่เกี่ยวกับรายได้ไม่เกี่ยวกับแล้ไปแล้รู้สึกว่ามันเท่มากเลยอ่ะใครจะตอบก่อนดีคะ หนูดีค่ ะ, ะหนูดีครับหนูดีนักมายากลค่ะรักมา ก, กมายากลมันดียังไงอะครับมันเท่ยังไงหนูความจแล้วหนูเป็นชอบมายากลอยู่เนี่ค่ะโ อ, อดูมันเป็นสิ่งพิเศษใช่ไหมคะที่คนทั่วไปทําไม่ได้เยี่ยมมากเลยคะ่ะไออุ่นล่ะคะหนูอยากเป็นพยาบาลคะ่ะอยากเป็นพยาบาลพยาบาลมันเท่ยังไงคะในความคิดของไออุน่นสามารถรักษาคนได้โอช่วยคนได้ พี่นายค่ะอยากเป็น น, นักบินอวกาศนักบินอวกาศคนอื่น<อ>คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้ใช่ไหมคะ<อ>เพะว่าชุดเท่ห อ, อ๋อชุดเท่ที่สุดเยี่ยมเลยค่ะเรามาค่ะเอออยากเป็นนักขีรถถกข่รถถัง <อา S 1> นักขี่รถถังนักขีรถถกข่ร ถ, ถถังเท่งไงในความคิดของเรามาค่ะเพราะว่าเขาคนขับรถถังผมทรงขาอย่างดีและอีกอย่างรถ มันก็มีความแข็งแรงคร่ะอลรถแข็งแรงรแข็ง แ, งแงบึกบึนมันเท่ตรงนี้ใช่ไหมคะโอ้เรียมมากเลยค่ะความคิดก็มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปนะคะอ่คำถามถัดมานะคะคุณน้องจะถามว่าหากพวกเราได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราจะทำสิ่งที่เราต้องการได้สองอย่าง คนละสองอย่างนะคะหากเรได้รับเลือกนะเราอยากทําอะไรใครตอบคะใครตอบคะอ่านายค่ะเออขายครับขายบ้านขายรถครับขายบ้านขายรถเป็นอายุเทร่คะขายบ้านขายรถังไงอธิบายหนเดี๋ยวก็เก็บตังค์ทำเก็บตังค์เอาเก็บตังค์เอาไปทําอะไรคะ เอาไปบริจาคเงครับอ๋อขายบ้านขายรถบอกตัเองเพื่อเอาไปบริจาคเงนเอาไว้แบ่งประชาชนอย่หนึ่ะครับออย่างที่หนึ่งขายของที่ตัวเองมีอยู่เยอะแล้วใช่ไหมคะเพื่อไปช่วยพู้อื่นแล้วอย่างที่2องนะคะสร้างบ้านสร้างบ้านขายบ้านแล้วก็สร้างบ้านเหรอคะครับ สร้างบ้านให้ใครอะคะสร้างบ้านให้ประชาชนครัอ๋อสร้างบ้านให้ประชาชนทุกคนจะได้มีบ้านอยู่ใช่ไหมครับนายครับโอ้เยี่ยมเลยนายกนายนะครับใช่ค่ะถ้าเป็นนายกจะ่วนายกนายไอ้อุ่นค่ะนายยกไอ้อุ่นหนูอยากช่วยคนค่ะค่ะอยากที่ห่อยากช่วยคนอยากให้คนยังไงคะ่อธิบายให้คุณได้หน่อยสิเพราะว่าคนเพราะว่าคนเหล่านี้ จนค่ะอ๋อช่วยคนจนโอเคอย่างที่1งอยากช่วยคนจนอย่างที่สองค่ะดูแลบ้านเมืองให้สงบค่ะโอ้ดูแลบ้านเมืองให้สงบเป็นความชิดที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะของเด็มไม่มีเยอมากเลยค่ะโนดี้โนดี้เข้ามาใกล้คุยหน่อยแล้วอ่ะโอเคสองอย่างค่ะท่านหนดี้นายกโนดีอ่าเป็นนายกโนดี บริจาคเงินบริจาคเงินอย่างแรกหนูดีจะบริจาคเงินให้ใครครับลูกให้คนที่ให้คนที่เขาลําบากอ๋อลำบากเช่นใครนึกออกไหมใครบ้างที่ที่หนูดีคิว่าพวกเขายัางลาบากอยู่ครับมีไหมไม่ต้องเป็นญาตเราที่หนูดีเคยเห็นค่ะคนที่เขาไม่มีเงินแล้วเขาแล้วเขาแบบพิการ อ็คือกานเนาะผล<ด>พิการเห็นเห็นคนพิการออยากให้ใช่ไหมคะอ่าอย่างที่สองค่ะอย่างที่สองครับหนูดีหนูดีนายกหนูดีจะต้องทำอะไรเอออยากอยากช่วยอยากช่วยน้ำท่วม อ, อยากช่วยคนน้ำท่วมอเห็นเหตุการณ์ ที่ผ่านมาใช่ไหมคะโอ้นายกหนูดีจะช่วยประชาชนค่ะต่อมาใช่แล้วมีเออช่วยไปจากทำให้เงินให้กับคนบิการใช่คนบีการพวกคนยากจนแล้วก็อีสองคือช่วยน้ำท่วมผู้ประสบภัยสิบบาทประชาชนต่างๆนั่นเองเนาะถักไว้สรุปให้นะครับต่อไป ต่อไปนายุบโลมานายุบโลมานายุบโมานายกลงมาจะทําอะไรคะสองมันจากเงินครับไปจากเงินให้ใครครับให้คนที่พิการแล้วก็ครอบครัวครับอืมและอย่างที่สองนะคะการสร้างโรงแรมครับสร้างโรงแรมทำไมครับพรคนที่เลิกกับเมียแล้วเขาจะได้อยู่กันคนละห้องครับ อ้ย น, นี่เป็นคาิดของเด็กๆนะคะอ า, อาอจจะคิดออกมาสร้างโรงแรมไว้ให้คนได้อยู่ใช่ไหมคะอโอเคอเ ค, ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยเหลือนะคะนักเผู้อืน่นและคนคนในครอบครัวนะคะ เ, คเยี่ยมมากเลยนะคะนายกรัฐมนตรีเด็กๆในวันนี้จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีในวันหน้าหรือเปล่าอ่ะคำถามต่อไปค่ะควณไอซ์หากเด็กๆ คิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันระวางระวางอะไรกันระวางเงินหาเงินให้ได้มากๆหาเงินหาเงินหาเงินให้ได้เยอะยะนะยนะฟังคถามก่อนนะกับเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวอันไหนสาคัญกว่ากันอะทีละคนทีละคนเยนเอามือลงเนเรียเอามือลงมาก่อนเลยค่ะเรียงจากโลมาเงินครับอ่ะทำไมครับทาไม คิดว่าการหาเงินได้มากมกว่ามันสําคัญกว่าการใช้เวลายู่กับครอบครัวเพราะว่ามันสําคัญเวลาและอีกอย่างมันช่วยเหลือคนได้ด้วยครับอ๋อโอเคเมื่อได้เงินมาเราก็ช่วยเหลือครอบครัวและคนอื่นได้ใช่ไหมอ๋อเยียมากพี่นายค่ะอนายคิดว่าอะไรสําคัญกว่ากันครับครอบครัวครับครอบครัวเวลา เลี้ยงดูครอบครัวครับอ๋อใช้เวลาแล้วเลี้ยงดูครอ บ, รบครัวโอเประหยัดเวลาโอเคค่ะอืครอบครัวนะคะไออุ่นครอบครัวค่ะครบ อ, อบครัวครบการใช้เวลากับครอบครัวสําคัญกว่าอย่างไงคะในความคิดของไออุ o ่นคะ่ะอยากดูแลครอบครัวค่ะอยากใช้เวลาดูแลครอบครัวหนูดีค่ะค่ะ ครอบครัวในความคิดของหนูดีการใช้เวลากับครอบครัวมันดียังไงคะมันสําคัญกว่ายังไงคะปกติหนูไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวค่ะเราอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช่ค่ะขอให้ได้ใช้เวลานะคะโอเคค่ะอ้าวเยอะมากเลยนะครับสําหรับความคิดนะครับในเรื่องในเรื่องในประเด็นนะครับประเด็นนี้ว่าอะไรสําคัญกว่ากันระหว่างการหาเงินให้ได้เยอะๆนะครับกับการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวซ่งส่วนใหญ่นะครับเด็กๆก็จะเลือกเลือกว่า ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับเนาะอโอเคค่ะถ้าต่อไปครับประเด็นต่อไปครับคุณนรับประเด็นต่อไปอีกไม่กี่เดือนก็จะเป็นจะเป็นอะไรคะรมรไม่ใชอาก็คืคริสต์มาสวันปีใหม่อ่าวันปีใหม่อีกไม่กี่เดือนที่จะมาถึงนะคะเด็กๆอยากจะทําอะไรมากที่สุดในช่วงวันปีใหม่ลงมาค่ะ สร้างกระดาษรถถังฮะสร้างกระดาษรถถังยังไงครับสร้างกระดาษรถถังหรือรถถังกระดาษาโอเคร้ังกระดาษทำไมครับลูกอาไปตั้งชวค่อตั้งโชว์ตั้งโชว์ั้โชว์โอเคนะคะเจ้าของควรให้เด็กๆครับเป็นของขวัญให้เด็กๆเป็นสาระคสรอ โอ้ยเยอมากค่ะไออุ่นค่ะหนูอยากเป็นเซนต์หนูอยากเจอเซนต้าคอรสค่ะหนูอยากเจอเซนต้าคอสหนูดีค่ะอยากได้ของขวัญค่ะอยากได้ของขวัญอยากได้จากใครดีครับหนูดีอยากได้ของขวัญจะครอบครัวโอเคขอให้เด็กๆอยากได้นะคะในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ทั้งหมดเลยในในในไม่กี่เดือนเนี้ยค่ะที่จะมาถึงนะคะอ่าโอเคค่ะ ตกอใช่แล้วนะถือว่าใกล้นะ<ช>เดือน<ช>สองเดือนสเดือนใช่ค่ะนะักควรรอคอยเลยนะคะโอเคครับต่อไปประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายในการสัมภาษณ์เด็กๆวันนี้นะครับก็คือถ้าเ ด, เด็กเลือกได้เด็กๆอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอะไรเฮ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะประเด็นนี้นะคะ โลมาตามด้ว <coaches> ยไออุ่นและหนูดีแล้วก็พี่นายนะคะพี่โลมาอยากไปอยู่ประเทศไหนคะเวสนาครับอยากไปอยู่เวดนาเพราะอะไรเพราะอะไรคะเป็นเมืองที่สะอาดครับแล้วก็อากาศก็เย็นครับอ้อากาศเย็นเยี่ยมเลยค่ะเคยไปเวดนาไหมหรือยังครับเคยแล้วครับอยู่ครั้งหนึ่งครับโอแล้วชอบใช่ไหมคะอยากอยากไปอยู่ที่นั่นไออุ่นค่ะ หนูอยากไปประเทศเกาหลีค่ะทำไมคะหนูอยากเจอแบ็คพิงออยากเจอแบ็คิงแบ็คิคือกลุ่มศิลปินี่ที่เราชินชอบใช่ค่ะแล้วทุกคนก็แล้วแบ็คพิงก็ดังที่สุดเลยโอเคอยากไปเจอแบ็คพิงค้เราไปสมมติเราไปเกาหลีแล้วไปเปิเปไปเจอแบ็คพิจริงแล้วเราทำไงจะทาไงหนูอยากจับมือค่ะอยากจับมืออยากกอนโอเคชินชอบหนูดีละคะ อยากไปประเทศไหนคะไปอยู่ที่ประเทศไหนอยากไปประเทศเกาหลีค่ะอยากไปประเทศเกาหลีเพราะอะไรครับลูกเพราะอะไรเว่าหนูอยากกินปาหมึกอ๋ออยากกินปลาหมึกที่มันที่มันยังไม่ตายใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมอ๋อผมก็อยากกินค่ะแล้วเคยไปไหนยังครับลูกแม่หนูเคยไปแต่หนูไม่เคยอ๋อหนูยังไม่เคยไปหนูก็อยากไปอยู่เกาหลีเพื่ี่กินปลาหมึกนะฮะอกฉันเรอว่าเวลากินแล้วมันยังมา ไต่ตรงขอบตากเราได้โอ้แ mm hmm. สดงว่าดูสัตาคาดีอาหารแน่ๆเลยค่ะทุกคนแม่หนูถ่ายวีดีโอโอโอเคเลย okay, uh. เลยเป็นแรงบันดาลใจที่อนาคต จะอยากจะไปอยู่สางประเทศแล้วนายล่ะคะนายอยากไปอยู่ประเทศอะไรครับเยอรมันครับทาไมอะคะทําไมถึงเยอรมันเพราะว่าเป็นประเทศที่สะอาดแล้วก็มีของขายเยอะครับโอ้มีของขายเยอะแต่ก็ยังสะอาดอยู่ช่าความสะอาดใช่ไหมครัครับอนายเคยไปไหมครับนายเคยไปเยอรมันไหมครับเคยครับโอเคยไปมาแล้วด้วยเนีครัเป็นไงครับอากาศดีไหมครับอากาศก็กำลังดีแล้วเย็นสบายใช่ไหมคะโอแล้วก็บ้านมือสะอาดสิ่งที่นายประทับใจใช่ไหมครับ ส่วนใหญ่ที่เด็กๆคิดนะคะก็จะนึกถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกับอากาศนะคะส่วนเป็นเด็กผู้หญิงก็จะนึกถึงอะไรคะของกินศิ ล, ลปินนะคะความคิดก็จะมีความต่างกันนิดนึงนะคะครูไอซครับ อ, อันนี้ก็เป็นพูดถึงประเด็นนะคะที่เป็นอาชีพในฝันใช่ไหมครับ<ช>คชณน้ค่ ะ, คะนี่เด็กๆลองมาฟังผลสํารวจที่ครูเนีนะครับครูไอซ์กับคุณน้องได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับอาชีพในฝัน ที่เป็นอาชีพยอดฮิตของเด็กไทยเลยเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเนี่ยนะครับก็คืออาชีพไหนใครเราใครเราได้อาชีพที่คนส่วนใหญ่อเและเป็นความฝ่ายฝันคนเด็กส่วนใหญ่ที่เป็นอันดับหนึ่งของคนไทยอ่ะค่ะเดาค่ะโลมาค่ะพิี่ดีกรนายนักบินนากานักบินนวากาศไอุนค่ะเดาลูกไม่เป็นไรค่ะในความคิดของเรา ดีค่ะนักร้องนักร้อ ง, องไออุ่นค่ะแอโรบิก ค, ค่ะแอโรบิกแดนซ์อ่าฟังเฉลยนะครับฟังเฉลยนะครับผนสำรวจนะครับอาชีพยอดยอดเออในฝั่งยอดคิดนะครับ5อันดับในใจเด็กไทยก็คืออันดับที่หนึ่งคือแพทย์แพทย์<พ>รหรือว่าคุณหมอเองที่ส ค, คือวิศวกรนะครับที่สามคือตำรวจที่สี่คือนักธุรกิจนะครับและที่ห้าก็คือครู เราจะสังเกตดก้วยว่าความคิดของ เ, เด็กนะคะที่เรานะคะได้เลือกมาในวันนี้ก็จะแตกต่างจากกลุ่ม<ช>นะคะกลุ่ม <Fly. S 1> อาชีพที่ได้ถู ก, ก ร, รับการ ส, รสารวจมานะคะไวซ์ใช่ครับต่อไปนะครับส่วนในข้อคำถามที่เป็นคําถามที่ถามว่าหากได้รับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคะสองสิ่งที่ต้องการนะคะมี ที่เราเลือกทำนะคะหนึ่งในนั้นมีด้วยนะคะอย่างแรกนะคะจากคนสำรวจนะคะก็คือปกป้องดูแลประชาชนาาความคิดของใครตรงนี้นะคะไออุ่นเยี่ยมค่ะสองพัฒนาประเทศและพัฒนาระบบการศึกษาให้กับประชาชนในถิ่นภูรักกันดาลมีใครนึกถึงเรื่องนี้ไหมคะพัฒนาประเทศอทุกคนเลยนะคะอย่างที่สาม สร้างความสามารถีให้คนรักการมีความสมัครสมานคามสามารถขีใช่ค่ะยยอนๆมา c ลดปัญหาเรื่องยาเสพติดและการเล่นการพนันามีใครคิดตรงนี้ั้มคะหนูดีอไออุ่นนะคะออทุกคนเลยนะคะโอเคครับคราวนี้นะครับเราไปได้ทราบแล้วนะครับทั้ง ความจริงความคิดเห็นของเด็กจริงๆกับผลสํารวจซึ่งค่อนข้างจะตรงกันเลยนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะตรกันเลยใช่ค่ะต้องมีบางอย่างที่ที่ที่ความคิดของเด็กที่เราคาดไม่ถึงแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ครูไอมองเห็นตอนนี้คือว่าเด็กๆเนี่ยนะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยญแล้วก็มีความมีมีใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นใช่ครัจากข้อคาถามที่เป็นนายุทและช่างดนตรีหรือว่าเป็นอาชีพนะครับเขาก็ ยังมีความที่จะแบบเติมเหลือคนอกากช่วยคนอยากช่วยคนน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสิทมากๆมีจิตสาธารณะนะคะไม่ได้นึกถึงแค่คนในครอบครัวนะคะใช่ครับสําหรับวันนี้นะครับในหัวข้ออาชีพในฝันของเด็กไทยนะครับก็ได้ผ่านการบอกผ่านทางความคิดของเด็กๆของผู้ใไปแล้วนะครับเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เด็กๆนะครับฝาก แฟนรายการหน่ายใี้ติดตามช่องติดตามรายการคิสคของเราหน่อยอ่าร้องตัางครับอย่าลืมดูรายการของเราด้วยนะครับอย่าลืมดูรายการของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะอย่าลืมดูรายการที่เราด้วยนะคะโอเคค่ะเปลี่จากดูเป็น ฟังแนนอดูได้ดูได้ก็คือเป็นดูเป็นแบบสดๆเป็นไลฟ์เหรอคะเป็นไลฟ์แต่ก็ยังเป็นแค่เสียงดีนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าวันนี้นะครับมีเสียงที่มันเป็นค่อนข้างที่จะรบกวนนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยมาที่มีด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ยังคงัรอยู่ในรุ่งเรืองของเราเช่นเดียวกันนะครับใช่ไหมครับเกใช่สถานที่จริงใช่ครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับคุณนอตครับทางโรงเรียนของเรานะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับ นักเรียนในระดับชั้นป .1 นะครับป .1 นะเพื่อเป็นนักเรียนใหม่ในปีการศึกษาหน้านะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวพลายจะมาบอกนะครับในอีกในครั้งหน้าในเทปหน้ากันเลยกันนะครับทุนรัตครับหรือไม่ก็ท่านผู้ฟังนะคะสามารถเข้าไปในที่เว็บไซต์ของเรียนของเราใช่ไหมับใช่ครับหรือเข้าไปที่เพจของเรียนของเราก็ได้นะครับครับ โรงเรียนสอนทิศนวัตรกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม ง, งคล น, นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์เข้าไปได้เลยะนะคะครับสําหรับวันนี้นะครับเด็กๆขอตัวลาไปก่อนนะค่ะขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนคุณและคุณ น, นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบ ก, กันใหม่ในเทปหนะน้าสำหรับวันนี้สวัสดีบายบาย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 R M U T T Radio.